ขอโอกาสครับ่เตรียมตัวเก็บกล้งองปิดเสียงโทรศัพท์น ะ, อะพอแล้วนะพอละไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่หรอกหล พ, พ่ออนุโลมตามโลกโลกยุคนี้หลงรูปทีหลงกรมมันมากนักนะนีเสียเวลาของแม่จีรังยั่งย็นไลน อยแต่รูปภายนอกเลยรูปภายในตัวเราเองจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้อยู่มานานๆแบบหลวงพ่อก็จย้อนไปดูคนที่รู้จักตายไปเยอะแยะแบางคนอายุน้อยนิดเดียวก็ตายแล้วคนเราตายง่ายที่ไม่ได้เป็นอะไรไปตรวจร่างกายประจําปีตรวจไปตรวจมานะ ตรวจหาโรคโน้นโรคนี้ไปเรื่อยๆเจอจนได้รักษาไปรักษามาหรือบางคนไปผ่าตัดนิดหน่อยเกิดแพ้ยาแพ้อะไรตายก็มีชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนเราอย่ะไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเราต้องรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในชีวิตเรา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 ตายสองคนมีแหมสองคนเลยไา้หนึ่งคนมีไหมยังไม่ตายสักคนผู้ที่ไม่ยกมือไม่มีพ่อมีแม่ไห <laughs> ใครลูกตายบ้างมีไหมในห้องนี้ที่ลูกตายลูกตายเนี่ยทุกข์ที่สุดเลยตามสถิติพ่อแม่ตายเนี่ยไม่ทุกข์มากอ่ะบางคนพ่อแม่ตายดีใจสิ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 แต่เขาอดทนมากเรียกเขาไม่ได้ต้องเรียกท่านนะท่านอดทนมากยอมสละชีวิตเลยเพื่อเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วทำให้สาเร็จามทาให้สาเร็จเนะี่ยคุณงามความดีนี่มันสะสมมาในใจความดีอะไรมันรุนแรงขนาดนั้นความดีที่กล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะตัวเนี้มันเป็นบารมีชั้นสูงที่พวกเราพอนากันนาสะาสมคุณงามความดีนะสร้างบุญสร้างบารมีเคยได้ยินบารมีม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 สี่ห้าก็บรรลุมากผลได้แล้วสี่แปดไม่แน่ว่าจะบรรลุถ้าถือไปแล้วรคกูเก่งกูเก่งกูเหนือว่าคนอื่นคนอื่นไม่มีสีเลยกูดีอย่างเดียวเลยพวกนี้ไม่บรรลุหรอกเพราะกิเลสมันท่วมหัวถือสีแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าก็เราเคยเห็นไหมพวกถือสีแล้วกิเลสรุนแรงเคยเจอไหมเนี่ยพวกไม่ถือสีนยจะว่าพวกถือสีแบบเนี้ยคือเราไม่ได้ถือสีเราก็แบบมันแกล้งถือเอาหน้าอะไรเงี้ย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 เราจะได้โยมาบาลมาถามเรามีความดีอะไรบ้างมีศีลห้ายามาบาลเชิญไปได้เลยนะมีศีลเนี่ยนรกไม่ต้องการถ้ามีแค่มีศีลห้านะนรกไม่เอาละเพราะนตั้งออกตั้งใจรักษาไวปนอกจากจะมีศีลธรรมดาโดยการตั้งใจรักษาแล้วต่อไปเราพัฒนาจิตใจเราให้สูงขึ้นไปมาพัฒนาศีลให้ดีขึ้นไปอีกโดยสร้างศีลอัตโนมัติให้ได้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 เราก็เห็นเดี๋ยวก็จิตก็หงุดหงิดเดี๋ยวจิตก็หงุดหงิดวันหนึ่งหงุดหงิดได้ห้าร้อยหกร้อยครั้งตามมองเห็นเห็นหน้าคนนี้ก็หงุดหงิดะหันไปเห็นอีกคนนึ่งหันไปเห็นคนแรกหน้าตามันน่าเกลียดเ ห, ห็นแล้วหงุดหงิดหันไปอีกทางหนึ่งคนนี้หลอกาเราหงุดหงิดอีกแล้วอิจฉามันลงเราเห็นหมามาก็หงุดหงิดทําไมหมามาเพ่นพ่านหมาตัวนี้น่าเกลียดเห็นหมาสกปรกก็น่าเกลียดหงุดหงิดอีกเห็นหมาสวยวิ่งมา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 ยืนเดินนั่งนอนเคยรู้สึกอย่างนี้ก็ได้หรือเคล่นไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกเอาลองทุกคนลองยิ้มซิยิ้มรู้ตัวไหมว่ายิ้มอยู่เนี่ยรู้ตัวไหมว่าพยักหน้าเนี่ยแค่นี้เองอะหัดรู้สึกอย่างเนี้ยนะยิ้มหวานยิ้มเนี่ยเราเห็นตัวนี้ยิ้มไม่ต้องไปดูคนอื่นยิ้มนะเราเห็นตัวเองยิ้มยิ้มนะเราหลวงพ่อถามว่าเห็นไหมว่าร่างกายมันยิ้มอยู่เห็น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 เพราะว่าไอ้จิตดวงแรกมันสั่งให้ร่างกายตกไปแล้วนะไอ้ดวงใหม่มันอาจจะสั่งไปไม่ทันมันตกไปซะก่อนนะแต่ว่าความโกรธเนี่ยจะไม่มีจะตกด้วยจิตที่สงบนะแต่ร่างกายมันตกไปแล้วนเะนะืนะ้อหัดมารู้สึกนะหัดรู้สึกในร่างกายก็ได้หรือรู้สึกในความสุขความทุกข์ก็ได้รู้จักความสุขไหมขณะนี้ใครมีความสุขยกมือสิ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 คุณงามความดีอะไรก็สร้างไม่ได้จําไว้เลยนะนั้นสติเป็นของสําคัญมากเลยหลวงปู่เทศนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงปู่เทศเทศรังสียนันเคยสอนอยู่หินมะเป้งเลยคอนแก่นขึ้นไปเมาก่อนก่อนหลวงพ่อมาทางนี้บ่อยเลยนะขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ที่สี่เชียงใหม่หนองคาเป็นตอนนี้ผ่านขอนแก่นเนี้ยประจําเลย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 ที่ดีนะจะเกิดขึ้นมันจะไม่ผิดศีลดยอันตโนมัตนะิการรักษาศีนจะเป็นเรื่องง่ายนะสําหรับคนที่มีสติการรักษาศีลเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนที่ขาดสตินะไม่ใช่ศีนตัวจริงเนีย่ยขาดสติแล้วบรักษาศีนเนี่ยไม่ใช่ศีนตัวจริงเรศีนเกิดจากจิตเกิดกับจิตที่เป็นกุศล น, นี่พอเราฝึกสติมากๆเข้านะเราใช้สติเนี่ยมาพัฒนาจิต ให้เกิดสมาธิสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมัน่นจิตจะตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือเป็นพุโทโธอย่างครูบาอาจารย์วัดป่านะชอบสอนให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธหลวงตา ม, มหาบัวเคยพูดนะว่าท่านพุโทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยพุโทโธไม่ได้พุโทโธอย่างเดียวแบบนกแก้วนกขุนทองนะอย่างนั้นพุโทโธไม่เป็น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 ล้วอาศัยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ า, บา inya, นนะมาเป็นคนดูดูอะไรดูร่างกายหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูร่างกายเคลื่อนไหวดูร่างกายหยุดนิ่งหรืออาศัยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ uk, life, ิกบานน่ดูความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูไปเรื่อยๆดูสบายๆหรืออาศัยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนดูความโลภความโกรธความหลงนีมง่มันเกิดเกิดดับ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 ที่สูดทั้งหลายนะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้อะไรมีอามิตรก็รู้มีอามิตรใหมยห่ยถึงมีเหยื่อล่อนะมีอารมณ์มาล่อนะให้เกิดความสุขเกิดความทุกข์มีอารมณ์มาล อ, อก็ไดนะ้แบบไม่มีเหยือ่อลอกก็ไดนะ้อันนี้ละเอียดไปลืมซะหน้าตางงไปหมดแล้ว <laughs> เอาใหม่เอาง่ายๆนะเวลามีความสุขใจเราเป็นคนดู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 ความรู้สึกมันกระจายออกข้างนอกไปมเจ้าออกข้างนอกเจ้าออไปเมื่อจิตอย่างนี้จิตยังไม่มีสมาธิสมาธิไม่รวมตัวสมาธิไม่รวมตัวขันไม่แยกะะจะไม่เดินมิปัสสนาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นสบายสบายเห็นกาย ก, ายก็ส่วนนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะมันแยกอของท่านมันแยกได้แล้วละ่ะแต่มันแยกเป็นคราวๆมาเจอผมมันตื่นเต้นก็เลยแตกกระจายออกมา แล้วอย่างผมนี่ติดสมาธิมากไปหรือเปล่าครับติดเดียวนะควรทำ ย, รยังไงก็พยายามดูร่างกายบ่อยๆนะเส้นไหว<อ>รู้สึกไปกวาดวัดไปอะไรเงี้ย<อ>เห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูนะอย่าไปรักษาใจให้นิ่ง<อ>นะพวกติดสมาธินี่คือพวกรักษาใจให้คงที่ อ, อย่าไปรักษามันแล้วก็ดูไปเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุก เดี๋ยวใจเราก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวใจก็เป็นผู้คิดเนี่ยเมื่อกี้เป็นผู้คิดละแต่ตอนเนี้ยรู้สึกไหมห<อ>เป็นผู้คิดสลับแล้วเป็นผู้ดูวิ่งมาดูหลวงพอ่อเนยเรารู้ทันใจอย่างนี้นะ<อ>รู้ไปเรื่อยๆใจไม่ไปแช่นิ่งรักษาให้ดีอยู่ก็ไม่ติดสมาธิหรอกพวกติดสมาี่คือพวกติดดีอืจะติดดีต้องมีอะไรต้องแก้ไขไหมหายใจแล้วรู้สึกตัว<อ>ความรู้สึกกลับเข้ามา แม้มันกระจายออกอแล้วก็ถู ก, กายดูใจดูถ้าดูขันทำงานมีพ อ, อกันบ้านงนะไปดูงเงาสิตอบไปกล่าวน้วัสการค่ะหลวงพ่อคือฟุ้งค่ะแล้วก็ไหลา ย, ยาวค่ะก็ต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะ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 Uh, from our you, like, what the good to Buddhist values like child? is the teach what เขาอยากขอคำแนะนำกับหลวงพ่อเพราะว่าตอนนี้ภรรยาเขาตั้งคันหเดือนแล้วก็คืออยากจะทราบว่ า, ามีวิธีอะไรที่จะสอนลูกให้เป็นชาวพุทธที่ดีน เ, เราทำให้ดูสิเรามีศีลนะเราฝึกสมาธิเราฝึกเจริญปัญญา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 Mm hmm. แล้วก็เผลอไปคิดแล้วก็พูดโธ mm hmm. แต่ว่าหนูไม่เห็นเวลาที่มันไหลไหลเข้าเข้าไปเหมือนเหมือนเหมือนบางครั้งที่หนูเห็นว่ามันไหลไปเกาะที่ต้นไม้ mm hmm. ไหลไปเกาะที่โน่นที่นี่ง mm hmm. งเงี้ยนะคะฝึกไปให้สบายใจนะต้องฝึกแบบสบายใจมีความสุขรู้เนะื้อรู้ ต, ตัวสบายๆอย่าฝึกให้มันเครียดนะค่ะ mm hmm. ฝึกแบบสบายมีความสุขหายใจไปมีความสุขไป mm hmm.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 ความรู้สึกตัวจับลมแล้วหายใจเอาความรู้สึกตัวเข้ามานี่แค่นี้ยพอแล้ะอย่ามากกว่านี้นะรู้สึกไมให้มันเข้ามาครัง้งแรกที่หนูทําตามที่หลวงพ่อบอกอะคะ่ะเออนั่นแหละจะไม่ดื้อ น, นะแป๊บเดียวก็เป็นบางคนมันดื้อ น, นะสอนให้ทําอย่างนี้มันเอาอย่างงั้นก็ตอนแรกที่หนูพบกับคุณมาลีคุณมาลีบอกหนูเริ่ ม, เ ร, มเริ่มไม่เห็นอ่ใจที่มันโกรธมันอะไรแต่หนูจะเห็นเผลอไปคิดบ่อยอะคะ่ะคุณมาลีก็เลยบอกว่า ให้ให้ไปดูกายหนูก็นั่งงุ้งตั้งนานทำยังไงนอกจะดูกายได้ตัวเองก็ฟุ้งซ่านนั่งสมาธิมไม่ได้เจ้าคะ่ะวันหนึ่งเปิดซีดีของหลวงพ่อตอนขับรถอยู่จู่ๆก็เห็นว่าหน้ามันยิ้มเจ้าคะ่ะแต่ว่าใจตรงตรงกลางอกมันจะโลง่งๆแต่ว่าหน้ามันยิ้มตลอดนะเรา<ะ>ก็ไม่รักษามันไม่รักษาอะไรสักอย่างเดียวนะกายเป็นยังไงก็รู้ใจเป็นยังไงก็รู้เราจะรู้ทุกอย่างนะด้วยใจที่โปร่งโล่งเบาสบาย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 ตัวที่ไม่ชอบกิเลสมันเป็นคนละตัวกันค่อยแยกไปค่ะอืมตอบค่ะไม่จบเลยอีกนิดนึงนะคะคือคือหนูไม่สบายนะเจ้าค่ะก็เลยไปหาหมอสแกนสมองทุกอย่างเลยเจ้ค่ะมอหาสาเหตุไม่เจอต้องทําังไงโอทําใจอย่างน้อยนะร่างกายไม่สบายใจสบายก็แล้วกันเจ้ค่ะก็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 ใช่สิค่ะใช่ค่ะแค่แค่รู้สึกนะไม่แต่ไม่ทําใจทื่อๆนะอย่างนี้ไม่ได้นะเห็้อค่ะเออเห็นหน้ามันยิ้มอีกเลยเห็นหน้ายิ้มแต่ไม่ใช่ใจทื่อๆอยู่นะใจก็ทื่อๆอย่างนี้ไม่ได้นะผิดนะใจมันต้องยิ้มหน้ามันยิ้มใจมันต้องยิ้มจริงๆอค่ะอ่ะให้คนอื่นบ้าง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 แม่อดีตไม่ด so oh, ีก็เรื่องของอดีตเราเอาปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเจ้าค่ะกลับก็เพราะคุณเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อครับผมเข้ามือใหม่เหมือนกันครับอือยกมือสิพ่อสงใสัยมือใหม่มันเป็นยังไ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 พิ่ไปแล้วมันเหมือนมันไม่มีอะไรมันเหมือนอะไรไม่รู้นั่งอยู่แล้วมีความรู้สึกอยู่ที่หน้าอกครับไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงครับขันมันแยกนะมันเหในรูปส่วนรูปนะจิตส่วนจิตนะครับแต่มันรู้สึกแค่แป๊บเดียวครับเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยจะเกิดขณะจิตเดียวครับเพราะงั้นเวลาที่เราภาวนาแล้วเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกแป๊บเดียวเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องรู้สึกเยอะหรอกมถ้ารู้สึกตลอดเวลาน่ยไม่ถูกหรอก แล้วผมฟังซีดีมาได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกอยากจะบวชนะครับอย่าไ้า<ข>บวชนะครับขอความเมตตาอย่าอย่าไปบวชเป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่ออยู่ที่ว้านเมตต์หลวงก่อบอกแลยอย่าเพิ่งบวชนะ <c oughs> <c oughs> บวชไม่นานโทรศัมจะมาครับผมขอการบ้านภาวนาไปนะภาวนาไปอย่าเยี่ยมเกลียมกับตัวเองด้วยนะให้เมตตากับตัวเอง จเจริญเมตตาครับร่างกายจิตใจนี้เรื่อยๆครับใจมันอ่อนโยนกับตัวเองแล้วการพาวนามจะนุ่มนวลขึ้นอันนี้มันดูไปดูๆอย่างเงี้ยไม่กล้ารับไว้ในวันอ่ะมันยก็ตีอยู่ครับมรสการกับปอบกาสกับวัดหลวงพ่อเนี่ยนะพระเข้ามาในวัดเนี่ยยากที่สุดเลยแต่ออกง่ายมากเลยแรกผมก็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 หยิบซะบ้างนะไปฝึกแป๊กใช้ได้นะไม่รู้คันมันพอจะแยกได้ั้ยครับแยกแยกพอได้อยู่ใช่ไหมได้ครับใช้ได้นะเรียงแถวมานี้ใช้ได้กราบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อคือส่งกันบ้านกันหลวงพ่อครั้งล่าสุดคือหนึ่งปีก่อนนะคะก็คือประมาณม ก, กราบปีธีแล้วแล้วก็ ไปไปอยู่ที่ที่อื่นมาค่ะไปอยู่ต่างประรทศแล้วก็เพิ่งกลับมาก็คือช่วงช่วงหลังๆที่อยู่เนี่ยคือเดี๋ยวรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยได้ภาวนาค่ะมันเหมือนมันมันค่อยๆค่อยๆต่างๆอะคะ่ะเหมือนมันติดโลกเยอะอะคะ่ะก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ติดโลกก็อยู่กับโลกไปเดี๋ยวก็ทุกข์เองอะทุกคนที่จะใจก็นึกถึงโอ๊ย รู้อย่างนี้ปฏิบัติดีกว่าใครๆฝึกทุกวันรักษาวินัยไว้เท่านั้นแนะแบ่งเวลาไว้ขอวันหนึ่งนาทีทำให้ได้ทุกวันถ้าเราทำได้สัก3ามเดือนต่อกันนะใจเราจะเปลี่ยนนะใจมันจะมีความเข้มแข็งมันจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นงั้นวันหนึ่ง15นาทีนะแล้วลองดูสิสามเดือนเราก็เปลี่ยนนะแต่เราจะเข้มแข็งกว่านี้เยอะเลย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 แสดงว่าหนูต้องไปไปดูจิตอีไปดูป ด, ดูไปสบายๆดูไปได้ไม่ต้องวิภาควิจารณ์อะไรเยอ ะ, ะ <c oughs> มองหนูปัญญาล้ําไปนิดนึงสมาธิมันอ่อนไปรู้สึกไหมใจมันฟุ้งเก่งค <c oughs> ่ะฟุ้งเก่งค่ะมันไม่สมดุลกันศีล ส, สมาธิปัญญาก็ต้องสมดุลนะค <c oughs> ่ะตัดไปเสื้อสีน้ำเงิน เ, นเครียดจะตายแล้วอะ <c oughs>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 เป็นจิตเศร้าหมองให้เรารู้ทันใจสลดสังเวชในเห็นในโลกนี้ไร้สาระ ใ, ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาลไม่ถูกมันครอบงำเาะฉะั้นบางคนก็ถูกปิติครอบงำบางคนถูกความสลดสังเวชครอบงำราวนานแล้วมีปิติแล้วถูกปิติครอบหรือภาวนานแล้วสลดสังเวชถูกความสลดสังเวชครอบไม่ดีทั้งคู่เลยนะให้รู้ทันใจจะได้เป็นอิสระขึ้นมา อ๋อตอไปจบยังถามหลวงพ่อว่ามีอะไรที่หนูทำผิดไปหรือว่ามีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมให้รู้เท่านั้นแหละให้รู้ทันใจอย่าให้ถูกความรู้สึกครับกัอนอ่นก็ขอถวายการปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อสาธุนทีนี้ส่งการบ้านเมื่อวนี้แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูกายตลอดชีวิตก็ลองไปทำดู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 เห็นเวทนาแต่ว่ามันอยู่ไกลๆค่ะแต่ว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะขาดกันแล้วก็ใจมันจะจะเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนอะไรมันโด่งลเราแค่เห็นนะกายก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งนะเราไม่ได้พาวนาเพื่อให้หายจากเวทนาเราไม่ได้เพื่อละเห็นเอยู่ค่ะแต่ว่ามันไกลมันกล้ามายอมจิตไม่ได้แต่ว่าพอเวทนาเกิดขึ้นจิตก็มีสังขารปรุงะแล้วปรุงเช่นหนีเถอยังนู่นอย่างนี้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 ตามปฏิบัติก็คือเห็นเกิดดับถี่ขึ้นครับอะไรนะเกิดดับถี่ขึ้นครับแต่ความไม่เป็นตางอย่าไปท้อใจมันสิใช่ครับมันมันยังเห็นแป๊บเดียวมันก็เข้าไปแทกแซงอยู่นะอย่าไปต้อแต้ตอแต้นะดูไปสบายครับดูไปอย่างนี้ความสุขเราไม่ได้พาณาเอาอะไรนะพาวาจนเราเห็นเลทุกอย่างมันเป็นไปเองทุกอย่างมันไม่เที่ยงครับดูไปสบายสบาย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 เล้นพูดอย่างนี้นะไอ้ที่ดูเห็นมันเกิดดับเนะี่ยไปดูอะไรมันไม่ใช่จิตแทนที่จะบอกว่าจิตถลำไปดูมาบอกมันไม่ใช่จิตอ๋อไอ้คนดูนี่คือจิตจ้องเลยได้ไหมตายแล้วคืนนี้จะภาวนาอยู่วัดท่านอะตกข้ามปิดประตูปุตลยดูตัวผู้รู้เนีดูไปดูไปนาะเฮ้ยผิดไหมวะกลายเป็นเพ่งจิตเพ่งจิตนะโกร ท, ท่านเลยนะน้อยเราภาวนาของเราดีๆนะ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 สาทุครับงานพิธการหลวงพ่อครับต่อจากนี้ไปท่นานผู้ผู้ที่มาฟังธรรมทุกท่านก็จะกล่าวคำถวายทานพร้อมกันนะครับเพ่อให้ทุกท่านตั้งใจระลึก ถ, ถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันมานะครับในวันนี้แล้วก็ทำจิตให้สุกเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญข้าพเจ้าทั้งหลาย อ๋อ น, น้อมถวาย นน แ, แ, แาายะถ า, าวาริวาหาปุราปริปูเรนติสาคลางังเอวะเมวาอิตโตทินังเปตานังอุปกระปติอิจิตังปติตังตุมหังชิปะเมวาสมิจตุสับเบพปูเรนตุสังกปา จันโธปนรสโอยถ า, ามณิโชติระโสยถ า, าสปีติโยวิวัชันตุสพโรโควินสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจ ต, ตารโรธรมาวัันติอายุวันโนสุขังพลังไปปฏิบัตินะ